ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงพระพทธญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องขันติบา ร, รมีต่อไปโดยจะนำในายะแห่งพระพุทธรรมรับที่พระพุทธเจ้าบ้างภาษาวกบ้างพระโพธิสัตว์บ้างนะแต่รับสั่งแล้วก็กล่าวไว้ในโอกาสที่แตกต่างกันออกไป แต่การแรกที่เราคุ้นคุ้นมากก็คือขันติปรมังตะโปติติขาแปลว่าความอดกลั้นความอดทนเป็นตบาบะธรรมอย่างยอดจริงตรงนี้ถือว่าเป็นธรรมะระดับอุดมการในพระพุทธศาสนาเราจะต้องมองย้อนกลับไปสู่ภูมิหลังของไอระโปกสังคมอารยันยุค ก, ก่อนพุทธสมัยหรือแม้แต่ยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบัติเนี่ย คือคนในสมัยนั้นจะถือแนวดิ่งอยู่สองแนวผู้เป็นภาษาสำนวนปัจจุบันว่าวัตถุนิยมกับจิตตนิยมนั่นเองแนวจิตตนิยมนั้นถือว่าจิตถูกขังอยู่ในกรงคือร่างกายถ้าเราต้องการจะให้จิตเป็นอิสระแล้วเข้าไปอยู่รวมกับปรมาตรมัน หรือภูมันหรือมหาตรมันก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะพวกนี้เป็นยุคเป็นสมัยคือเรียกชื่อไม่ค่อยเหมือนกันจะต้องบำเพ็ญตระบะอย่างแรงกระแทรมานร่างกายตัวเองแบบปางตายเกือบตายซึ่งพระเจ้าก็เคยเคยกระทาบำเพ็ญมาในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ได้สัสรส์สุคือกราวเบาเบ า, เบาที่ทรงประยุกต์มาสามสามในยะนะฮะ สามวิธีหมายความว่าเอาฟันกับฟันมากดการเอาลิ้นดันไปดานจนอัดแน่นแล้วก็เหงื่อออกท่วมระบรากายเลยทุกทรมานไม่ใช่เล่นนะฮะลองเอาฟันกับฟันมากดการแล้วลิ้นไปดันไปดานไว้ประการต่อไปก็คือผ่อนกลั้นลมหายใจเข้าออกอั้นไว้สุดๆเลย จึงจะปล่อยมาทีหนึ่งหรือหาใจเข้าทีหนึ่ง่าจะจออกทีหนึ่ ง, น จ, ออนงจนเกิดเสียงดังอู้ออกจากช่องพระกันทั้งสองเกิดปวดพระเสียนเสียดรูทร้อนในประวรากายกระสรับกระส่ายทุกเวทนาปางตายทั้งนั้นเนี่ยแต่ยันหนึ่งก็ผ่อนกันผ่อนการสะบวยพระกาหารลงไปเรื่อ ย, อยแต่ว่าข้าเม็ดเดียวในผาเป็นสีส่วนน่ ก็จะเข้าไปถึงทองหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วในที่สุดก็พระอาทิปรากฏทั่วพระวรากายขนนี่มันหลุดร่วงไงเอามือลูบตัวก็ขนก็ร่วมปรากฏเจนเอ็นสะพรั่งไปทั้งพระวรากายสเสด็จไปไหนก็สวนล้มล้มสลบไปเลยนั่นเราจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากความเชื่อ ว, ว่าจิตเนี่ยมันที่ไม่อิสระเพราะว่าถูกขังไว้ในร่างกายในกรงขังคือร่างกาย เพราะจะต้องทำลายคุกคือกรงเนี่ยคือร่างกายเนี่ยให้สาหัสสากันมากๆเพื่อจิตจะได้เป็นอิสระวันรี้ก็บำเพ็ญตะบะแบบทรมานร่างกายเวลานี้สามารถจะไปดูพวกฤาษีต่างๆแต่ฤาษีเกตแถวพารันสีที่เยอะนะฮะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะอยู่มาตั้งก่อนสมัยพุทธกาลพวกชาดกโดต่างๆก็ๆมีนักบวชในลักษณะนี้อยู่ สแสดงว่านานเหลือเกินแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งก็ยังเชื่อถือการปฏิบัติในแนวนี้อยู่ถึงว่ากันโดยหลักความเป็นจริงแล้วเมื่อกายกระสับกระสายีิจิตจะสงบมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องเอาอะไรหลอกขนาดเร า, เรานั่งสมาธิยุงกัดเต็มไปหมดเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิหรอกพูดไม่ตบยุงได้ก็บุญแล้วนั่นคือสแสดงให้เห็นว่า การทรมานร่างกายแต่สาหัสสาการขนาดนั้นเนี่ยมันจะเจ็บปวดรุรแาขนาดไหนแนวหนึ่งเป็นวัตถุนิยมแต่วันมันมองชีวิตในลักษณะาชาติเดียวคือขาดศูนย์ไปเลยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นดะบะเหมือนกันแต่ก็ปลนปลือหาความสุขให้แก่ตัวเองแล้วก็บำรุงบำเรอตนเองด้วยกรรมคุณทั้งหลายต่างกันมาเป็นหาเรมสนุกสนานกันใหญ่ในเรื่องดียนั้น แล้วก็เป็นการสุดขั้วนะยุคสมัยตรงนั้นยุคสมัยพรบพุทธเจา้าเนี่ยมันอยู่ในยุคที่สุดขั้วหมายความว่าซ้ายจัดขวาจาัดทั้งสองกระแสะเป็นความคิดที่รุนแรงทั้งนั้นแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้ใช้กัดความบดกร่างความบดตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแนวของกิจตนิยมพรุทธเจ้าก็เคยอยู่ในยุคตรงนั้นแล้วก็เจอปัญหาในสภาพตัวนี้ไป แล้วพอจักรสรู้ในสงเห็นว่าก็สงเห็นมาก่อนหน้านั้นนานๆนทิ้งจนเลิกแหละก็เห็นว่าเป็นความคิดที่ไร้าสาระและแม้แต่ความเชื่อว่ามีสิ่งสูงสุดจะเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละเรียกว่าพรห ม, มันเรียกว่ามหาตรมันเรียกว่าปรมาตมันเป็นอัตตาตัวตนที่ฐาวนยั่งยืนสถิตยอยู่ในสงสวรรค์แล้วก็ มนุษย์จะย้อนกลับก็ไปอยู่รวมกับท่านหรืออยู่ร่วมกับท่านนะฮะอยู่รวมก็มีร่วมก็มีก็อะไรแต่จะอธิบายกันมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นกระบวนการเชื่อถือแบบคนตาบอดจูงเดินกันเป็นแถวไอ้คนหัวแถวก็ไม่รู้คนที่ปลายแถวตรงกลางๆไม่ต้องพูดนะฮะไม่รู้ทั้งนั้นเหแล้วคนปลายแถวเองก็ไม่รู้แต่ก็จูงกันไปได้ คำสอนแบบตาบอดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศอุดมธรรมธรรมะระดับอุดมการว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาความอดกลั้นคือความอดทนเนี่ยเป็นตบาบดรมอย่างยั่จริงหมายความว่าปฏิวัติความเชื่อในยุคโบราณปฏิวัติความเชื่อของพราหมณ์ แล้วก็เสนอหลักการสําคัญก็คือทุกเรื่องเนี่ยต้องมีความอดทนหนึ่งอดทนสองอดทนสามอดทนก็ได้และสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องอดทนมากแม้เรานั่งรถไปเราจะเห็นว่าเราจะไปตั้งคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แร้วก็บางทีก็ต้องปรงุงนะว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพราะอะไรเพราะ มันนอกวิสัยที่เราจะทำได้และสถานการณ์เนี่ยมันก็แปรผันไปเรื่อยๆดังนั้นทุกอย่างพอเจอปับ๊บเราก็อดทนไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์มันต้องทนต่อมาอยาการต่างๆที่มันยั่วยุยั่วยวนชักชวนนี่ยำหนัดเพลิดเพลิ น, เ, นลเร่นหลงอยู่ในสิ่งข้างใน จะต้องอดการอดทนต่อเรื่องต่อนั้นแล้วก็ถือว่าตาบัตม ร, รมอย่างยอดยิ่งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การปรับบัตรร่ า, างกายแต่มันอยู่ที่การพยายามชำระจิตนี่ให้มีภูมิธรรมภูมิจิตแข็งแกร่งมากพอทนทานต่อแรงกระแทกกระทันเข้ามาจากข้างนอก และมันกลายเป็นตะบะตะบะแปลว่าความเพียรที่เผาบาปเผาอากุศลเผากิเลสนะให้รล่าร้อนในสมัยพุทธกาลในมีบุคคลเยอะโดยเฉพาะตัวอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อตระอระหันนะฮะที่จริงแต่วตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นชื่อพระสุนทนสมุติเป็นชายหนุ่มรูปงามมากเป็นลูกเศรษฐีลูกโทนก็เสียด้วย เกิดศรัทธาจะบวชในพระพุทธศาสนาหลังจากได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็พอใจที่จะบวชเห็นว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงเนี่ยไม่มีใครปฏิบัติใด้สมบูรณ์ได้หรอกถ้าอยู่ในเพศฆราวาสสมบูรณสมัยนั้นเขาเรียกว่าให้สวยงามให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยจะทำได้ยากท่านจึงตัดสินใจที่จะบวชแต่ไปขออนุญาตพ่อแม่พ่อแม่ไม่ยอม ไม่ยอมเนี่ยมันมีเหตุผลสองประการนะฮะประการแรกก็คือว่าทรัพย์สมบัติจํานวนมหาศาลเนี่ยแล้วใครจะเป็นผู้รับมรดกลูกจะต้องเป็นผู้รับมรดกเพราะว่าลูกเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ทําบุญบุญที่กุศลศุกไปให้เมื่อพ่อแม่ทั้งสองตายไปแล้วเพวันเขาจึงเรียกลูกว่าบุตรบุตรเนี่ยเป็นชื่อของขุมนรกนะฮะทจริงอุตตร เพราะนั้นคำว่าปุดตะจึงแปลว่าผู้ป้องกันพ่อแม่ตกนรกเกี่งความเชื่อในรัฐที่ของพระเหมือนกันแล้วก็โดยธรรมชาติเหนึ่งก็คือแม่ก็รักลูกนะไม่อยากให้พลัดพลาดจนเสียเป็นห่วงเป็นใ ย, ยวิตกกังวลไปสารพัดแต่ท่านก็ไม่ยอมนะท่านประท้วงด้วยการอดอาหารคือโลกเศรษฐีสมัยนั้นก็คล้ายๆจะแฟชั่นเหมือนกันเหมือมนว่าเร า, าชอบปิดถนน อะไรก็ปิดถนนอะไรก็ปิดถนนสมัยนั้นถ้าเขาไม่ได้ตามที่เขาต้องการเนี็ยเขาจะอดอาหารแสดงว่าอดอาหารเนี่ยดีกว่าดีกว่าประท้วงปิดถนนนะฮะคือไม่มีใครเดือดร้อนแต่ประท้วงปิดถนนเนี่ยเป็นการรอนสิทธิ์คนอื่นอย่างแรงนะในขณะที่ตัวเองเรียกร้องสิทธิเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยแต่การกระทําไม่แสดงความเป็นประชาธิปไตยเลยอันนี้ก็คือไม่เห็นโทษตัวเอง เพราะั้นในที่สุดเพื่อนๆก็มาขอร้องแม่เขาบอกให้บวชเถอะวันหลังค่อยวางแผนดึงกลับมาแล้แม่ก็ต้องยอมนะไม่งั้นก็ลูกตายเลยไม่ยอมกินอะไรเล ย, เลยแต่บวชแล้วเนี่ยแม่ก็วางแผนได้ลูกชายเนี่ยไม่รู้เรื่องจ้างผู้หญิงสวยๆดีๆเก่งสารพัดมาอย่าหญิงสารพัดไปเที่ยวติดตามล่าลูกชายแต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จ พอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามมากก็อาสาไปรายล่าพระสุวรรณพระสุนทรสมุทรก็มันไม่ได้แสดงอะไรแต่แสดงเป็นอุบาสิกาผู้ศรัทธาในพระสงค์ก็ทบาบุญตับาทปกติธรรมดาจึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็นิ ม, มนต์รับอาหารประจำที่บ้าน คื อ, อย่าลืมว่าพระสมัยนั้นเนี่ยลําบากมากการเรื่องการบินดาบัดเนี่ยบังทีมันอดเรานะกรุงเทพเราเมื่อก่อนก็อดได้ไง่ายๆก็เพิ่งดีไม่เท่าไหร่นะบินดาบาตได้มากๆไม่เท่าไหร่เมื่อก่อนก็อดเราพระรุ่นก่อนๆเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องบินดาบาตไม่ได้อดข้าวอยู่ทางนั้นนะจะเพียงได้ว่าใครอดมากหรืออดน้อยเท่านั้นเอง เพราะเมื่อมีคนไปรับภาระถวายอาหารคือตัดกังวลเรื่องอาหารได้เนี่ยมันมีเวลาเหลือเยอะที่ทุ่งเทลงไปในการ่าเป็นเพียรผู้หญิง่านั้งก็ น, กนิมนต์แบบโยโมมกถาคธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไร ท, ที่มีข้าวให้เห็นว่าเธอรับจ้างมาที่จะจับพระสุนทรสมุทรึก จนล่อท่านขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นสูงแล้วก็ถวายอาหารปกติธรรมดานะแต่ก็รับรับออกไปอยายู่ในที่รับแล้วก็เริ่มด้วยยวนด้วยใช้มายาติตรีว้สมัยนั้นมายาติตรีที่ปรากฏที่ท่านว่าเนี่ยม่ตั้งสี่สิบแปดวิธียวนด้วยวิธีการต่างๆพระวิชาประทับอยู่ที่ประเชตวันรับสั่งกับพระอานนท์บอกอานนท์ สุนทรสมุทรกำลังทำสงครามใหญ่พระนนกราูน่าถามพระ น, นรู้นะครหมายความว่าอย่างไงเนี่ยรับสั่งพระ น, นรูน่าถามว่าใครจะเป็นผู้ชนะพระเจ้าค่าพระเจ้ารับสั่งว่าสุนทรสมุทรจะชนะพระสุนทรสมุทรพอเห็นผิดท่าน่ะเห็นผู้หญิงไม่ยั่วยวนเหลือเกินเนี่ยท่านก็จเจริญกรรมฐานมองภาพของผู้หญิงนะ ให้เห็นเป็นร่างกระดูกไปเลยงองทะลุเนื้อนังมังสาหมดนะกลายเป็นร่างกระดูกแล้วก็เปื่อนดาผุพังไปตามการตัวนี้เขาสอนในลักษณะเขาเรียกพระขันห้าเล่มเป็นธรรมมาวุธคื อ, อาวุธที่จะต่อสู้กับใจตัวเองเือดูผมด้วยวาหนังนะดูผมด้วยความหนังก็คนสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเราเนี่ย ไม่ว่าเราหรือใครผ่าตัดนะฮะมันก็คือปุ่มกดเลือกฝันนังนั่นนั่นเองแต่ว่าเวลาศึกษาเวลาสาธยาเวลาพิจ า, ารณาสะสมไว้ภายในใจได้มองตลอดทุกอาการหรืออาการสามจุดสองประการตั้งแต่ผงเป็นต้นไปจนถึงมันสมองถ้าก็ได้อารมณ์เจริญวิปัสนากรรมฐานบารรลุมรควนะได้ปัญญาบารรลุมรคผลก็เทอะลอยขึ้นไปบนอากาศเลยมากราบบาตพระพุทธเจ้าพระยาก็รอรับโยน และในสุดท่านก็ประสบใส่ชนะนั่นเราจะเห็นว่าการอดทนต่ออารมณ์ลักษณะยั่วยวนอย่างเนี้ยนะมันหนึ่งในหลายร้อยนะหนึ่งในพันหนึ่งในมื่นนะจึงเอาชนะได้นะแต่ด้านท่านพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ลูกศิษย์ทธิเสียงยิ่งภิกษุณียิ่งไม่เสี่ยงใหญ่เลยนะ คือป้องกันไว้สารพัดภิกษุนีนางสิกขะมาแอเวสามเดรีเนี่ยนางสิกขปะปานาเนี่ยนักบวชผู้หญิงเนี่ยจะมีวิธีอารักขาไว้มาก อ, อันตรายมันเยอะจริงๆสมัยพุทธกาลเนี่ยอันตรายกับผู้หญิงนี่เยอะจริงๆเวลานี้เราก็ได้ยินเรื่องอะไรล่ะร้อนสิทธ์กดขี่ทางเพศอะไรๆต่างๆคือไม่ดูวมันพระมหากรุณา คล้ายๆกับพ่อมีลูกชายกับลูกสาวนะฮะมันเป็นห่วงลูกสาวมากกว่าลูกชายเพราะเราเห็นว่าพิสมีเนี่ยไปเจริญกรรมาฐานในป่าไม่ได้นะห้ามไม่ให้ไปเพราะวันไปแล้วก็เคยเกิดอันตรายขึ้นมาก็ป้องกันไว้พระนั่งก็ไปอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเขาตามโพนไม้ที่ไหนก็ได้ก็ไปหว่ากันลูกชายแต่ลูกหญิงเนี่ยปล่อยไปอย่างนั้นไม่ได้ เพาถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นพระมากรุณาอย่างสูงแล้วไม่ใช่เรื่องกดขี่ทางเพศไม่ใช่อะไรที่ภาษาคนรุ่นใหม่ก็พูดนะเป็นพระมากรุณาที่ต้องการให้เกิดสวัสดิภาพแก่ลูกนะพูดง่ายว่าแก่ลูกเพราะว่าเวลาพระประพฤติปฏิบัตดิดีบรรลุมรกคผลพเจ้าจะเรียกว่าลูกนะ สาใิบุตรลูกเราอานุ์ลูกเราคนนั้นลูกเราลูกเราจะใช้จะใช้คําอย่างไรเป็นบรรยากาศที่มีความบกุลแต่ประปเด็นสําคัญเมือสังเกตว่านี่คือคืออดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยุเนี่ยอดทนยากด้ยเรามีประการหนึ่งคือยั่วยุท้าทายค่มพูดูมดูมิ่นสบประ ม, มาทอะไรต่อะไรต่างๆท่านแสดงไว้ว่าคนเราในกรณีที่เขายั่วยุไอ้โกรธนะ อดทนต่อคนที่ต่ำกว่าตนได้เนี่ยถือว่ายอดค น, นหมายความเราจะทําจะโต้อตอบจะแสดงอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่โต้อตอบไม่ทําอดทนต่อคนเสมอกันเนี่ยก็เรียกว่าดีรองลงมาแต่อดทนต่อผู้ใหญ่ในที่จริงเราก็อดทนอยู่แล้วนะเพราะาผู้ใหญ่ที่เราอดทนท่านได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเพราะามันยังไงยังไงก็ต้องอดทนอยู่แล้ว แต่การได้ผู้ใหญ่อดทนกับผู้น้อยได้นั้นคือยอดคนตกลงว่าอารมณ์หลักเนี่ยคือยั่วยุกับยั่วยวนยั่วยวนนั้นอาจจะล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆอาจจะล่อโดยสตรีเพศแนวตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าแนวเห็นไหมดังคล้ายๆเรื่องสามก๊กเนี่ยตังโตลิปโปก็แตกกันเพราะเดียวเสียนนั้นก็คือแนวยั่วยวน มันมีแผนสลับซับซ้อนเลยมีลูกสาวคนเดียวบอกให้คนสองคนแต่ว่าเวลาคนหนึ่งมารับเนี่ยบอกว่าคนโน้นก็ตัดหน้าไปแล้วก่อนแล้วก็ยุให้พ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมในฆ่ากันลูกบุญธรรมก็ฆ่าพ่อบุญธรรมตายในสามก๊กนี้มีเยอะนะในแผนแล้วเนี้ยนั่นก็แสดงว่าโลกมนุษย์มันก็ใช้แนวนี้มาตลอด คนอดทนได้จึงถือว่าเป็นตะบะที่เผาผลาญความชั่วได้ทั้งหมดตบะบางทีก็หมายถึงความเพียร น, นะฮะเห็นไหมคันติกับความเพียรเนี่ยหรือคันติกับเมตตาเนี่ยมันมันมั น, มนเป็นเรื่องเดียวกันคือคือเป็นเรื่องหนุนช่วยกันคนเราอดทนต่อคนได้เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานความรู้สึกที่ดีต่อคนเรา แต่ถ้าเรารู้สึกเขาเป็นศัตรูมองเขาเป็นศัตรูมาแล้วก็นิ่งๆต้องอดทนเนี่ยอดทนยากมากดังนั้นในธรรมะภาคสนามจริงๆเนี่ยพอเกี่ยวกับคนเนี่ยถ้าเรารู้สึกเป็นมิตรกับเขาได้แล้วจะง่ายจะทนง่ายแต่ถ้ารู้สึกเป็นศัตรูมองเป็นฝับเป็นฝา่นฝายมองแบ่งแยกแล้วก็ต้องอดทนเนี่ยจะทำได้ยาก พระธรรมจึงสร้างเป็นแน่เครือข่ายเป็นอุปกรกุ่ของกันอะไรกันมีพุทธศาสนสุภาษิตนะบอกว่าขันติเนี่ยห้ามไว้ไม่คนผุนผันรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักข่มใจรู้จักห้ามใจรู้จักบันเทาความรู้สึกของตัวเองมามาแล้วเคยพบพระเทระ ก็ไปนั่งฉันข้าวอยู่ด้วยกันนะฮะแต่มามาม า, มาพักที่วัดมาพักเพื่อสอบก็มีโยมเขายกพวกมาด่าสมภารอกวัดนพระรองเจ้าวาดนะต่อมาท่านรูปนี้ก็ถูกชาบ้านฆ่าตายโพรเก็ดด่าแรงจังเลยเต่อมานั่งนั่งฟังด้วยนะฮะแต่เราก็หันนลังให้ เราไม่หันไปดูอะไรเขาหรอกเราก็ชันข้าวเฉยๆไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะเขามาพูดกับผู้ใหญ่แต่แม่ก็ดา่าแล้วก็ด่าจนถึงผู้ใหญ่อุ้ง น, นั้นด้วยถ้าก็นั่งฉันข้าวเฉยไม่ได้แสดงอะไรมีความรู้สึกอะไรเลยแล้วเพราะเขาด่าเหนื่อยท่านก็ส่งส้มเขียวหวานให้จานหนึ่งอา้าวกินส้มเดี๋ยก่อนตอนนี้ขอแห้งแล้วเขาเรียกก็ด่าใหม่อินได้อินเดีกัเพราะนั้นเลยเขินเลย เลยเขินแล้วก็ต้องลากลับไปนี่เกิดเป็นกา ร, รเผชิญหน้าเผชิญปัญหาต่างๆเนี่ยเราลองสังเกตนะฮะว่าแนวศึกสงครามทั้งหลายที่เขารบก็ต่อสู้กันเนี่ยเขาจะเอาผลประโยชน์เข้าไปแทรกกับหรือว่ายุ่งอ้โกรธหรือว่าท้าทายให้เกิดการแข่งดีเนี่ยแล้วพอเราผลผลันก็เรียกว่าข้าทางปืนเขามันก็เหมือนกับสุครีพกับกุมภกรันน เห็นไหมกุมภการจับสุครีพไปขังไว้ในดงตาลได้เพราะเป็นหลอกให้สุครีพถอนต้นรังเป็นการท้าทายมันเกิดมานะขึ้นมาเนี่ยว่ามีฤทธิ์เนี่ยมนาจมากๆเขาไม่แน่จริงอะถ้าจริงลองถอนต้นรังให้ดูสิไอ้สุครีบก็ไม่ได้คิดได้รอบคอบนะฮะไปถอนต้นรังทั้งสามต้นมันก็หมดแรงกุมภการก็จับว่าได้ เหตุนั้นนั่นคือไม่อดทนต่ออารมณ์ที่ท้าทายแล้วให้เราแสดงอวดริษั์อวดอำนาจขึ้นมามันก็ตกเป็นเหยื่อเขาง่ายๆเวราเหยื่อแนวเนี้ยมันจึงง่ายและบางครั้งถ้าเราดูสังค ม, มนะฮะดยสังคมว่าบางครั้งมันทำให้เกิดความสับสนนะเชื่อ ว, ว่าคนตกเบ็ดแล้วก็เอาเหยื่อปโปรยลงไปด้วย ราก็กินเหยื่อที่โปรยนั่นแหละแล้วก็ปนก็ไปมันโ ป, ปรยไปทํากลางเบรกด้วยเลยติดเบ็ดไอตัวหนึ่งมันก็เกิดกินที่เบรคข้าวมันก็ติดเบรคเพราะอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งใจิตใจของคนเราก็มีลักษณะอย่างนีน้โอกาสที่เราจะพลั้งพลาดเนี่ยมันมีนมได้ง่ายแต่ถ้าใจมีความหนักแน่นมีความอดกล้นอดทนก็จะทําให้ไม่ผรุนแัร ไม่วูวามไม่ใช่อารมณ์มองซ้ายมองขวาให้ดีระมัดระวังให้ดีและใ น, นลนักษณะอันนี้ที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตศึกสงครามอะไรทั้งหลายก็เหมือนกันทั้งหมดนะการจะค้าขายการจะติดต่อกันจะเจรจาความเมืองการต่อสู้กันในโรงสารทุกเรื่องเนี่ยจะต้องมีคว า, ามเข้มแข็งอดทนไม่อ่อนไหวจนผุนพรันหรือว่าพร่งออกไปเนี่ย แล้วโอกาสที่จะเสี่ยงพลาดมันจะมีได้ไง่งายผลคติจึงห้ามไม่ให้คนพุนผลันต้องฟังทงั้งหลายแต่ลมประพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาอย่เท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี